ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตัสรุเป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต้องสละราชสมบัติและออกบวชก่อนอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะที่มีความสุขของราชกุมาร ของกษัตริย์ถึงต้องออกบวชมาอยู่แบบขอทานสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องสละราชสมบัติแล้วออกบวชคืออะไรเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าทรงต้องออกบวชก็คือเทวทูตสการได้พบเห็นเทวทูตสี่ ทำให้พระพุทธเจ้าต้องตัดสินใจออกบวชเทวทูตสี่คืออะไรคือหนึ่งคนแก่สองคนเจ็บสามคนตายและสี่นักบวชพระพุทธเจ้าไม่เคยพบเห็น คนเหล่านี้เลยเพราะถูกกักขังไว้อยู่ในพระราชวังพระราชบิดาไม่ต้องการให้พระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนัก บ, บวชเพราะกลัวว่าจะมีความเศร้าใจ แล้วจะคิดออกบทเพราะตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาใหม่ๆพระราชบิดาก็ได้เรียกโหราจารย์ต่างๆมาทำานายดวงชะตาของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะเป็นอย่างไรก็มีโหร ส่วนใหญ่ก็มีความเห็นเหมือนกันว่ามีสองคติด้วยกันมีสองทางด้วยกันถ้าอยู่ในทางโลกก็จะเป็นพระมหาจักรพรรดิถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโหราจาร์อยู่รูปหนึ่งที่มีความเห็นตา่าง คือเห็นว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องออกบวชแล้วจะได้เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปเมื่อพระราชบิดาได้ทราบความก็มีความวิตกกังวลไม่อยากให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอยากให้อยู่เป็นกษัตริย์ เพื่อจะได้เป็นพระมหาจั ก, กรพรรดิต่อไปจึงทรงสร้างประสาทสามฤ ด, ดูให้เจ้าชายสิทธัตถะอยู่โดยมีกำแพงล้อมรอบไม่ให้ออกไปข้างนอกกำแพงให้อยู่แต่ในวังมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนสวยคนงาม คนหล่อคนเหลาห้อมล้อมให้ความสุขแก่เจ้าชายสิทธัตถะเพื่อจะได้มีความสุขและจะได้อยู่ในวังจะได้เป็นกษัต ร, ริย์และเป็นพระมาหาจากาักรพัทต์ต่อไปแต่เนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายสิทธัตถะที่ ไม่เคยออกไปนอกกำแพงวังก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจึงต้องหลบหนี อ, ออกไปให้มีมหาเล็กพาไปคนหนึ่งพาไปดูภายนอกว่าเป็นอะไรมีอะไร พอออกไปนอกกำแพงก็ได้ไปเห็นคนแก่ที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนก็ทรงถามมหัสเรียกว่าเป็นใครเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ทำไมาหลังค่อมทำไมาเดินโซซัดโซเซทำไมหนังเหี่ยวผมขาวก็ได้คำตอบว่าเป็นคนแก่ ซึ่งไม่ว่าใครก็ตามเมื่อเกิดมาแล้วต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนี้แม้แต่ตัวพระองค์เองก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทราบว่าอนาคตของพระองค์จะต้องเป็นคนแก่ก็ทำให้มีความเศร้าพระทยัยและพอเดินเที่ยวต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ก็ไปเห็นคนเจ็บนอนอยู่บนแค่หน้าบ้านน้องคกรนคลางด้วยความเจ็บปวดก็ถามว่าเขาเป็นอะไรถึงต้องร้องควรนครางก็ได้คำตอบว่าเขาเป็นคนเจ็บไข้ได้ปวด่วยเป็นเรื่องของคนทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้อง เจ็บไข้ได้ป่วยกันแม้แต่พระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพอทราบเข้าก็เลยยิ่งทำให้พระองค์มีความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้นไปพอเดินไปต่อไปก็ได้เห็นกระบวนแห่ศพมีการแบกคนตายศพเพื่อที่จะไปทำชาปนกิจก็ถามว่า คนที่นอนอยู่ที่เขาแบกหามอยู่นี่เป็นใครก็ได้คำตาบว่าเป็นคนตายซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกคนใครเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายกันตายกันก็ต้องนำเอาไปทำชาปนกิจเอาไปเผาเพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้ร่างกายก็จะส่งกลิ่นเหม็นเน่า พระองค์แลแล้วก็ทุกทุกคนต้องเป็นอย่างนี้แม้ว่าแม้แต่พระองค์ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันพอทราบว่าต่อไปพระองค์จะต้องตายก็เลยมีความเศร้าพระทัยอย่างยิ่งหลังจากนั้นก็เดินไปอีกสักระยะหนึ่งก็ได้ไปเห็นนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขาเป็นใครเขาถึง แต่งกายอย่างนี้ก็ไม่ได้คําตอบว่าเขาเป็นนักบวชเป็นผู้แสวงหาความหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพอทราบว่ามีวิธีที่จะทําให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ ความเจ็บความตายพ้องก็ทรงมีความดีดีใจขึ้นมาหลังจากนั้นก็กลับวังไปก็ใจก็ไม่ลืมเรื่องภาพที่ได้เห็นมาคือเทวทูตทั้งสี่แล้วก็ทรงคิดว่าสักวันหนึ่งคงจะต้องออกบวชอย่างแน่นอนเพราะการออกบวชใ้ จะเป็นการาหาที่หลบความทุกข์ได้ความทุกข์นี้เกิดภายในใจนี้สามารถหยุดมันได้แต่จะต้องไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่ที่สงบเพื่อที่จะทำใจให้สงบพระองค์เคยสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบมาครั้งหนึ่ง ในขณะที่เป็นเด็กเป็นวันที่พระองค์อยู่ประทับอยู่ตามลำพังพอวันนั้นมีผัว้าราชบริพันธ์ต้องไปทำกิจอย่างอื่นจึงปล่อยให้พระองค์ประทับอยู่ใต้โคนต้นไม้ตามลำพังพอพระองค์อยู่ตามลำพังพระทัยของพระองค์ก็ เข้าสู่ความสงบได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะองสะละราชสมบัติแล้วออกบวชเพราะเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย เห็นว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไม่สามารถมีความสุขได้เพราะร่างกายจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของใจคือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลาที่มีความแก่มีความเจ็บมีความตายพระองค์ก็เลยไม่อยากที่จะต้อง เจอกับสภาพอย่างนั้ น, นก็เลยอยากที่จะออกบวชเพื่อจะได้ไปสร้างความสุขอกีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากความสงบที่จะทำให้พระองค์มีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุข อย่างที่พระองค์กำลังหาอยู่ในขณะนั้นพระองค์รู้ว่าต่อไปจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้และจะทำให้ใจมีแต่ความทุกข์ทารมานใจจึงตัดสินใจออกบวชพร้อมโอกาสมา ถ, ถึงคือ วันที่พระราชโอรสพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสของพระองค์พระองค์ก็ทรงต้องตัดสินใจไปในคืนนั้นเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีความผูกพันกับพระราชโอรสของพระองค์พระองค์ทรงอุทานว่าราหุนแปลว่าบ่วง ตอนที่ได้ทราบข่าวว่าพระเมเหสีได้คลอดพระราชโชรสออกมาพระองค์ก็ทรงอุทานว่าราหุแลแปลว่าบ่วงบ่วงที่จะรัดใจของพระองค์ให้ติดอยู่กับพระราชโชรสต่ถ้าอยู่ต่อไปก็จะต้องถูกบ่วงนั้นรัดตัวรัดใจไว้ทำให้ไม่สามารถ อ, ออกบวชได้ ก็เลยตัดสินพระไทยในคืนนั้นว่าจะต้องไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปบอกใครได้ไปลาใครได้เพราะจะต้องถูกยับยั้งอย่างแน่นอนก็เลยไปแบบไม่บอกใครโดยมีมหาดเล็กพาไปพานั่งม้าไปขี่ม้าไปพอพลชายเมืองก็ ให้เอามากลับไปวางแล้วพระองค์ก็ท่งดำเนินเท้าต่อไปไปออกไปบวชไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านการทำใจให้สงบการทำสมาธิอยู่แบบนักบวชอยู่แบบขอทานแม้แต่เสื้อผ้าที่พระ อ, องค์สวมใส่ไปก็ มีขอทานขอเปลี่ยนเดินทางไประหว่างทางก็เจอขอทานขอทานเห็นเสื้อผ้าที่พระองค์ใสก็อยากได้ขอเปลี่ยนพระองค์ก็ท่งเปลี่ยนให้เอาเสื้อผ้าของขาทานมาใส่แทนนี่คือเรื่องของการบวชของพระพุทธเจ้าของการสละราชสมบัติ จร ะ, ะความสุขอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ไม่มีความสุขไหนจะสุขเท่ากับสุขของกษัตริย์มีสิ่งต่างๆที่วิเศษไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงเขียนรถโพธิภพต่างๆที่จะคอยอำนวยความสุขให้อยู่ตลอดเวลาแต่ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน จะต้องมีวันใดวันหนึ่งที่จะไม่สามารถหาความสุขจากเสิ่งเหล่านี้ได้มันนั้นก็จะกลายเป็นวันที่มีแต่ความทุกข์ใจจึงไม่อยากที่จะเพบกับวันนั้นอยากจะมุ่งไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ความสุขที่มีอยู่ได้แม้ว่าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่พระองค์ก็เลยมุ่งไปหาสำนักหาครูหาอาจารย์ที่จะสอนวิธีทำใจให้สงบในสมัยนั้นการทำใจให้สงบก็ทำให้สงบได้เป็นพักๆเป็นช่วงๆคือในขณะที่นั่งสมาธิ ใจก็จะสงบมีความสุขไม่มีความทุกข์กับอะไรแต่พอออกจากสมาธิมาพอมาเห็นเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกไม่มีใครรู้จักวิธีดับความไม่สบายใจอันนี้ได้ ดได้ก็เฉพาะเวลาเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากสมาธิใจก็เริ่มคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดความไม่สบายใจไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจหายทุกข์ได้เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิพระองค์เลยต้อง ค้นคว้าหาวิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทรงทดลองวิธีต่างๆตอนก็เคยลองวิธีอดทักยาหารถึงสี่สิบเก้าวันแต่ความทุกข์ก็ยังไม่หายไปนร่างกายจะตายแล้ว แต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ความทุกข์มันไม่ได้หายไปกับความตายของร่างกายพระองค์ก็เลยทรงรู้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ใจร่างกายจะตายหรือไม่ตายใจก็ยังทุกข์อยู่อย่างนั้นก็ทรงพิจารณาไปพิจารณามา ก็สังเกตเห็นว่าเวลาอยู่ในสมาธิใจนิ่งสงบใจไม่มีความคิดไม่มีความอยากใจก็มีความสุขแต่พอออกจากสมาธิมาพอมีความคิดมีความอยากขึ้นมาใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาก็เลยเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความไม่สงบเกิดจากความอยากของใจนี้เอง องก็เลยทรงมาพิจารณาดูว่าทำยังไงถึงจะกำจัดความอยากที่โผล่ขึ้นมาได้ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทรงเห็นว่าต้องอใช้ความจริงมาสอนใจสอนใจให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ไม่มีไปใครไปห้ามมันได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายได้ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้า ยอมให้มันแก่ยอมให้มันเจ็บยอมให้มันตายทำใจเฉยๆเสียเหมือนขณะที่อยู่ในสมาธิอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายพระองค์ก็เลยทรงคนพบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เอง ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใดแต่เกิดจากความอยากที่จะใช้ร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเนอะเพราะมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายแล้วถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็จะทําให้ไม่สามารถหาความสุขได้พระองค์ก็ทรง อหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าสามารถหาความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขจากการทําใจให้สงบเออนั่งสมาธิไปใจสงบใจก็จะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆเอ ทุกครั้งที่ใจอยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขก็จะฝืนจะไม่ทำตามอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็จะไม่ทำยกเว้นเวลาที่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้นก็ให้รับประทานได้วันละหนึ่งครั้งจันทรนวันละหนึ่งมือ หลังจากนั้นแล้วถ้าอยากฉันอยากจะรับประทานก็จะไม่รับประทานอยากจะดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆก็ไม่ดื่มนอกจากน้ําเปล่าเพราะน้ําเปล่าเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายการดื่มน้ําเปล่าเพื่อให้ร่างกายหายจากความหิวกับหายน้นํานี้ไม่ได้เป็นความอยากแต่เป็นความจําเป็นเป็น เป็นยาที่จะต้องใช้ดูแลร่างกายไปถ้าดื่มถ้ารับประทานโดยไม่ได้มีความอยากดื่มหรือรับประทานยาดื่มด้วยความจำเป็นก็ไม่ถือว่าเป็นความอยากแต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่าถงึงแม้ว่าจะเป็นความจำเป็นอยากจะดื่มถึงแม้ว่าความจำเป็นที่ต้องดื่มหรือต้องรับประทานแต่ไม่ไม่มีให้ดื่มไม่มีให้รับประทาน ก็จะออยอมออปล่อยให้มันไม่มีไปถึงแม้ร่างกายมันจะต้องตายไปก็ต้องยอมรับว่ามันต้องตายไปวันใดวันหนึ่งแต่จะไม่ให้มีความอยากที่จะไปสร้างความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาด้วยการพยายามที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไป ถ้ารักษาถ้าหาอะไรมาให้มันกินได้อยู่ได้ก็อยู่ไปถ้าหาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันตายไปใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายความเจ็บของร่างกายเพอปล่อยวางร่างกายพอรู้ว่าความอยากใช้ร่างกายทําตามความอยากต่างๆเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจ ความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆสู้หาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าแล้วก็ไม่ทำตามความอยากถ้าอยากดูอยากฟังอะไรก็ไม่ดูไม่ฟัง อยากไปเที่ยวไปเล่นก็ไม่ไปอยู่เฉยๆทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาพอทรงละความอยากต่างๆได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นอะไรก็ไม่เป็นเฉยๆถ้ามีก็เอาถ้ามีก็มีถ้าเป็นก็เป็นถ้ามันจะเป็นเองก็ปล่อยมันเป็นไปถ้ามันจะมีก็ปล่อยมันมีไป ถ้ามันจะหายไปก็ปล่อยมันหายไปคือไม่ต้องพึ่งอะไรในโลกนี้มาให้ความสุขกับใจเพราะใจมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนั่นเองนี่คือการตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าทรงคนพบว่าความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้ เกิดจากความอยากสามประการความอยากในรูปเสียงกลิภภ่นรสผลพภะเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภวะตัณหาภาวะตัณหาก็เช่นอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตวิภวะตัณหาก็คืออยากไม่เป็น สิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากได้เช่นไม่อยากยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเออก็ต้องอย่าไปมีความอยากเหล่านี้แล้วใจจะไม่ทุกข์วิธีที่จะหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากเหล่านี้ได้ก็ต้องมีความสุขในใจก่อนต้องมีความสุข ที่จะทำให้ไม่ต้องไปทำตามความอยากต่างๆเพราะถ้าใจไม่มีความสุขแล้วพอเกิดความอยากนี้จะทรมานใจมากถ้าไม่ได้ไปทำตามความอยากก็จะทนไม่ไหวก็จะต้องไปทำตามความอยากในที่สุดทำแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะทำเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอได้มามากได้มาน้อยเดี๋ยวมันก็หมดไป หมดแล้วก็ต้องหามาใหม่คอยเติมอยู่เรื่อยๆแล้วพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปก็จะต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะก็ยังอยู่ในใจความอยากมีอยากเป็นก็ยังอยู่ในใจความอยากไม่มีอยากไม่เป็น มันก็ยังอยู่ในใจมันไม่หายไปมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันจึงเป็นตัวที่ดึงให้ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายต้องไปมีร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่สแสวงหา สิ่งต่างๆด้วยความอยากเพราะบางทีเวลาอยากได้อะไรบางอย่างแต่ไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ไม่ต้องไปทำบาปก็จะต้องไปทำบาปเพราะถ้ามันไม่ได้มันจะไม่มีความสุขนั่นเองบางทีก็อาจจะต้องไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปพูดปดไปเดิมสุรายาเมา เพื่อที่จะได้สิ่งที่อยากได้มาแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะสะสมบาปไว้ในใจแล้วถ้าทำแต่บาปไม่เคยคิดทำบุญคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวเพราะว่าเงินทองที่จะใช้ในการไปหาความสุขนั้นไม่ค่อยพอใช้โอกาสที่จะเอาไปทำบุญ ก็จะอะไรไม่มีถ้าเป็นลักษณะนี้เวลาที่ร่างกายตายไปเนก็จะต้องไปรับผลบาปอย่างแน่นอนเพราะไม่มีโอกาสได้ทำบุญเลยแล้วการไปรับผลบาปนี้ก็มีสี่ลักษณะด้วยกันเกิดไปรับผลบาปด้วยการไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์สี่เทาการที่ไป เป็นเดรัจฉานก็เป็นเพราะว่าทําบาปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปนั่นเองเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเขาทําบาปนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทําบาปเขาไม่รู้ว่าบาปเป็นอะไรเพราะไม่มีใครสอนเขาทําบาปเพื่อยังชีพของเขาเขาหิวเขาเห็นอะไรที่เขากัดกินได้เขาก็จะกัดกินทันทีมนุษย์ที่มี อาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่ อ, อยางชีพก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่เชื่อบาปไม่รู้ว่าบาปมีจริงหรือไม่ไม่สนใจสนใจเพียงแต่ว่าต้องเลี้ยงดูชีวิตของตนให้อยู่รอดด้วยการทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนี้เวลาตายไปก็ต้องไปรับผลบาปด้วยการไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน อีกพวกหนึ่งถ้าทําบาปด้วยความอยากได้มากมากอยากมีมากๆากทั้งๆที่ถ้าไม่ทําบาปก็อยู่ได้พอมีพอกินแต่อยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากมีสมบัติมากมายก็เลยต้องทําบาปเพราะถ้าไม่ทําบาปจะจะมีไม่ได้ก็เลยทําบาป ถ้าทำบาปด้วยความโลภนี่ท่านก็บอกว่าต้องไปเป็นเปรตอีกพวกหนึง่งถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวสิ่งต่างๆสัสตว์ต่างๆจะมาทำร้ายเราก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นวันก่อนก็มีญาติโยมมาบอกว่าแถวนี้มีงูนะอันนี้ก็เหมือนกับบอกว่าคอยระวัง ถ้าบางคนถ้ากลัวงูมากๆเจองูก็ฆ่าเลยก็ได้ถ้าทำบาปด้วยความกลัวท่านก็บอกว่าจะต้องไปเป็น อ, อสูรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวถ้าเป็นเปรตก็เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยมีแต่ความโลภแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นกดเกลียด เวลาใครพูดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีก็จะโกรธจะเกลียดจะอาฆาตพยาบาทน ก, ก็จะไปทําร้ายเขาด้วยวิธีทําบาปอย่างใดอย่างหนึง่งตายไปก็จะไปนรกเนี่ยทําบาปด้วยความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกทําบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสูรกาย ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปรตทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็เป็นเดรัจฉานนี่คือที่จะไปก่อนที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ต้องไปใช้กรรมใช้บาปที่ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ทำตามความอยากต่างๆด้วยการใช้การทำบาปเป็นวิธี ตอบสนองความอยากแต่ถ้าเป็นพวกที่มีบุญมีวานสนามีโชคมีลาภทรมาหากินอาชีพสุดจริตแล้วยังสามารถหาเงินทองได้มากกว่าที่จะสามารถเอาไปใช้ได้หมดก็ จ, จะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นคนอื่นเขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยาก ก็อยากจะช่วยเหลือเห็นพระบิณฑบาตก็อยากจะใส่บาตรเห็นขอทานก็อยากจะให้ขอทานเห็นนกเห็นปลาก็อยากจะปล่อยเขาให้เขามีสารภาพพวกนี้เป็นพวกใจบุญถึงแม้ว่าจะทำอะไรตามความอยากแต่ก็ทำโดยวิธีไม่ได้ทำบาป ทำด้วยวิธีสุจริตถูกต้องไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคือไม่ได้หามาด้วยการฆ่าสัตว์ไม่ได้หามาด้วยการลักทรัพย์ไม่ได้หามาด้วยการประพฤติผิดประเวณีไม่ได้หามาด้วยการาด้วยการโกหกหลอกลวงหรือดื่มสุรายาเมาตรงนี้ก็จะไม่ได้ทำบาปทาแต่บุญ มีเงินเหลือมีข้าวของเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนหรือจะไปทําบุญกับวัดกับวาทํากับโรงเรียนทํากับโรงพยาบาลทํากับที่ต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือทําแล้วก็จะได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจซึ่งเป็นอาหารของใจ ที่จะติดตัวไปในขณะที่ร่างกายนี้ตายไปผู้ที่มีบุญก็จะไปเป็นพวกเทพต่อไปเป็นเทพชั้นต่างๆชั้นต่ำถึงชั้นสูงก็อยู่ที่ว่าทำมากหรือทำน้อยทำน้อยก็เป็นเทพชั้นต่ำทำมากก็จะเป็นเทพชั้นสูงนี่ก็เป็นเรื่องของการกระทำในขณะที่ยัง แสวงหาความอยากต่างๆอยู่แต่แสวงหาโดยวิธีที่ไม่ต้องทำบาปแสวงวิธีที่ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ต้องไปใช้บาปแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังทำบุญเพราะหามาได้มากกว่าที่ต้องเก็บเอาไว้ ตายไปก็รู้ว่าเอาไปไม่ได้ก็เอาไปทำบุญเสียใจก็จะเย็นจะสุขจะสงบมีความสุขมีทรัพย์ภายในติดตัวไปเวลาตายไปก็จะได้ไปเป็นเทพชั้นต่างๆ่พอบุญหรือบาปที่ได้ไปใช้หมดก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ร่างกายอันใหม่ เพราะว่ายังมีความอยากที่จะใช้ร่างกายหาความสุขแบบเดิมอยู่ยังอยากหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังอยากมีอยากเป็นอยู่ยังอยากไม่มีอยากไม่เป็นตัวนี้จึงดันให้ใจต้องมามีร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้ตอบสนองความอยากต่อไปอันนี้ก็เลยทำให้มาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ แล้วก็จะมาทำตามนิสัยเดิมต่อไปถ้าชอบทำบาปก็จะทำบาปถ้าชอบทำบุญก็จะทำบุญหรือว่าถ้าเกิดมาแล้วมาเกิดในครอบครัวที่เขาชอบทาบาปเขาก็อาจจะชวนเราไปทำบาปกับเขาถ้ามาเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญเขาก็จะชวนเราไปทำบุญกับเขา ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราไปกับเขาหรือไม่บางคนเกิดมาในครอบครัวชอบทำบาปแต่ตนเองชอบทำบุญก็จะไม่ไปทากับเขาก็กได้บางคนชอบทาบาปไปอยู่กับครอบครัวที่ชอบทาบุญก็ยังไปทำบาปอยู่ก็ได้เพราะเขายัง เขายังชอบทำบาปของเขาอยู่ติดมาเป็นนิสัยถึงแม้จะมีใครชวนก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนนิสัยเขาได้แต่คนที่เป็นแบบกลางๆคือบาปก็ไม่ได้ชอบหรือบุญก็ไม่ได้ชอบแล้วแต่ใครจะชวนไปคนพวกนี้ก็จะไปได้ตามกับครอบครัวของเขาที่เขาไปอยู่ด้วยสังคมที่เขาไปอยู่ด้วย ถ้าสังคมหรือครอบครัวชวนไปทําบาปเขาก็จะไปทําบาปก็ค่ะถ้าสังคมชวนให้ไปทําบุญเขาก็จะไปทําบุญนี่คือลักษณะของนิสัยของคนที่ชอบทําบุญหรือทําบาปอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็มีนิสัยชอบทําบุญมาตลอดะถึงแม้จะมาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ก็ไม่ชอบเป็นกษัตริย์ไม่ชอบไปทําสงครามไม่ชอบไปฆ่าคนะ ไม่ชอบเป็นมหาจั ก, กรพรรดิแต่ชอบเป็นพระพุทธเจ้าชอบเป็นนักบวชชอบทาบุญเคยทาบุญมาอยู่เรื่อยๆยจ็บนิสัยมาแต่นิสัยเหล่านี้ก็เปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าหนึ่ง อ, อยู่กับครอบครัวและสังคมไหนเขาอาจจะโน้มน้าเราให้ไปตามเขาก็ได้สองเรอาจจะเปลี่ยนเพราะเรา เห็นเห็นคุณเห็นโทษของการกระทำเห็นนิสัยของเราถ้าเห็นว่าการทำบาปมันไม่ดีเราก็อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าเห็นว่าการทำบุญดีเราก็อาจจะเปลี่ยนมาทำบุญก็ได้ถ้าเราทำบาปแล้วเห็นว่ามันไม่ดีเราก็เลิกทำบาปได้อันนี้บางทีก็ต้องมีคนถ้าไม่เห็นเองก็ต้องมีคนสอนอย่างพวกเราเนี่ยมาวัดกันเนี่ยก็จะมีคนคอยสอน ให้บอกว่าทำบุญนี้ดีดีกับจิตใจทำบาปนี้มันไม่ดีมันทำให้จิตใจร้อนทำให้จิตใจทุกตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายทำบุญแล้วทำให้จิตใจเย็นมีความสุขตายแล้วไปสวรรค์อันนี้ถ้าเชื่อก็อาจจะเปลี่ยนนิสายเคยทำบาปก็จะมาเริ่มถือศีล เหลือศีลห้าไปทำนองนี้ไปละการกระทำบาปถึงแม่อยากจะทำก็พยายามห้ามหักห้ามใจเคยตบยุงพอเห็นยุงมาจะมากัดก็ไม่ไปตบมัอนไล่มันไปแทนอย่างนี้ก็เรียกว่าเปลี่ยนนิสัยเพราะเริ่มเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วไม่อยากที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไป พ็อาจจะไปเกิดเป็นยุงให้เขามาตบเราบ้างก็ได้ถ้าไปตบเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาตบเราทํากรรมัใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพรนั้นทุกครั้งที่เราจะไปทําอะไรใครก็จะถ้านึกถึงกฎแห่งกรรมแล้วก็อาจจะไม่กล้าทำํำสู้อ อ, อยู่เฉยๆดีกว่าถึงแม้จะโกรธเขาถึงแม้จะกลัวเขาก็ช่างมันอะไรจะเกิดก็คิดว่าอย่างมากก็แค่ตายะ ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องตายแต่เราอย่าไปทำบาปดีกว่าเพราะถ้าทำบาปแล้วต้องไปใช้กรรมถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ทำบาปตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้กรรมถ้ายังต้องเวียนว่ายก็ยังก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยไม่ต้องไปใช้กรรมหรือถ้าได้ทำบุญก็ไปรับผลบุญก่อนแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของใจที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับความอยากเกี่ยวข้องกับ ก, บการทำบุญทำบาปก็จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้จนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดสู้ทรงรู้ว่าอะไรที่ทำให้พวกเรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปกัน ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทำบุญทำบาปมารับผลบุญผลบาป พ, พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีวิธีพระองค์ได้ทรงค้นพบวิธีนี้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วด้วยการละความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดนั่นเองให้ละกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหา แล้วการจะละได้ก็ต้องมีเครื่องมือต้องมีเครื่องมือที่เสริมกำลังให้กับใจเหมือนกับเวลาที่รถเรายางแตกนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนยางรถนี่จะต้องทำอย่างไรถ้าไม่มีเครื่องมือมีมือเปล่าๆนี้เปลี่ยนไม่ได้นะต้องมีเครื่องมือไว้ยกล้อรถให้มันลอยขึ้นมามีเครื่องมือขันน็อตให้มันถอดถอดน็อตออกมา ถึงจะถอดยางเก่าออกมาได้แล้วเอายางใหม่ใส่เข้าไปแทนได้ถ้าไม่มีเครื่องมือมีมือเปล่าๆนี้ยกรถไม่ไหวเอามือไปขัน น, น็อตนี้ขันไม่ได้ต้องหาเครื่องมือมาก่อนฉันใดถ้าเราอยากที่จะละความอยากต่างๆพระพุท<ม>ธเจ้าบอกว่าเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะมาละความอยากได้นี้ ก็คือศีลสมาธิปัญญาเราต้องรักษาศีลแล้วก็ต้องเป็นศีลที่สูงกว่าศีลห้าศีลห้านี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะทําให้เราละความอยากต่างๆได้ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขแล้วก็มาศึกษา ให้รู้ให้เห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้จะเป็นการไปหาความทุกข์จะเป็นการพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เราอยากจะทำมันก็เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วมันเดี๋ยวมันก็เสื่อม เดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็จากเราไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลามันจะจากเราไปเราห้ามไม่ได้มันก็ทําให้เราต้องทุกข์ใจกันเห็นถ้าเราเห็นว่าการทําตามความอยากนี่ทําให้เราทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะได้อไม่ทําตามความอยากเฝินความอยาก จะฝืนได้ก็ต้องมีความสุขใจก่อนมีสมาธิก่อนถ้าใจไม่มีสมาธิฝืนไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่รู้ก็ฝืนไม่ได้คนได้ยังเลิกเล่าไม่ได้เลิกบุหรี่ไม่ได้ก็เพราะว่ารู้อยู่ว่ามันไม่ดีแต่มันเวลาอยากแล้วมันทรมานใจฝืนมันไม่ไหวแต่ถ้ามีสมาธิใจจะฝืนได้จะทำใจเฉยๆได้จะทำใจให้ไม่ทรมานได้ ทำใจให้มีความสุขได้เวลาที่เกิดความอยากขึ้นมาเพียงแต่ระงับความอยากความคิดทำเดือให้มันคิดในสิ่งที่ทำให้ไม่อยากคิดถึงผลที่จะตามมาจากการดืม่มชวราหรือการสูบบุหรี่ว่ามันจะทำให้ต้องร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายไปก่อนเวลาอันควรถ้าคิดอย่างนี้ด้วยปัญญาแล้วก็มีกาลังของสมาธิสู้ มันก็จะไม่ทรมานมันก็จะฝืนความอยากได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วกม็มีเครื่องมือที่จะละความอยากที่เป็นตัวที่คอยผลักดันให้จิตตั้งไปเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นถ้าเราได้มาเจอพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราโชคดีเพราะว่านานๆานจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้า ที่รู้เหตุของการมาเวียนว่ายตายเกิดกันรู้เหตุของความทุกข์ใจของเรารู้วิธีที่จะรังงับความทุกข์ใจของเราโดยการสร้างเครื่องมือขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไม่มีวันรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ภพชาที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดมาแล้วนี้ถ้าอยากจะรู้ว่ามากน้อยเพียงไรก็ให้ลองประมาณดูว่าน้ำตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกคิดดูก็แล้วกันว่าต้องมาเกิดกี่ครั้งมาร้องไห้กันกี่ครั้งถึงจะได้น้ำตามากเท่ากับน้ำในมหาสมุทร แล้วมันยังก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาไม่ได้จะมาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครหรือถ้าได้เจอแล้วเราก็ไม่สนใจหรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้เราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าเรามาพบแล้วเราสนใจมีศรัทธามีความเชื่อ แล้วพยายามบังคับตัวเองให้กระทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้กระทำให้ได้เราก็จะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราทุกคนนี้สามารถทำได้อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการกระทำเหล่านี้หรือไม่เท่านั้นเองศีลมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากตรงไหน การรักษาศีลมันง่ายกว่าการละเมิดศีลสิการนั่งเฉยๆกับการไปฆ่านี่อันไหนไมันง่ายกว่ากาันจะไปฆ่าเขาต้องไปหาอาวุธหาอะไรหาเวลาหาจังหวะที่จะต้องคอยให้เขาเผลอแล้วถึงจะฆ่าเขาได้แต่นั่งอยู่เฉยๆนี่มันสบายกว่าอันไหนมันจะยากกว่ากันการฆ่ากับการไม่ฆ่าการไม่ฆ่ามันง่ายกว่า ที่มันยากก็เพราะว่ามันสู้ความอยากฆ่าไม่ได้ท่านเองพอมันโกรธใครเกลียดใครแล้วมันอยากจะฆ่าเขาอยากจะอมันก็เลยทําให้อยู่เฉยๆนี้อยู่ไม่เป็นสุขอยู่แบบทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรามาฝึกหยุดใจหยุดความทุกข์ทรมานใจได้เราก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาถ้าเรามาฝึกจเจริญสติกันหยุดความคิดกันได้ พอเราโกรธใครเราพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวเราก็ลืมไปพอลืมแล้วความโกรธก็หายไปก็จะทำให้ความอยากฆ่าก็หายไปก็ทำให้เราอยู่เฉยๆได้นั้นอย่าไปคิดว่ามันยากมันง่ายเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีทรรทนั้นเองถ้าเรามาหัดทำกันแล้วรับรองได้ว่าจะทำได้ง่ายศีลกี่ข้อก็รักษาได้ สมาธิก็นั่งเฉยๆได้ปัญญาก็สามารถเอามาใช้สอนใจได้ถ้าเรารู้จุดเริ่มต้นว่าเราควรจะเริ่มต้นที่ไหนเหมือนกับการขับรถนี่เราต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการขับรถอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่กุญแจรถไงถ้าไม่มีกุญแจรถก็อย่าไปขับเลยงั้นก่อนที่จะไปขับรถนี่ต้องมปหากุญแจรถให้เจอก่อน กลาเป็นเจ้าของรถถ้าจะใช้รถเขาก็ไปขอยืมกุญแจเขาบอกขอยืมรถเขาก็จะให้กุญแจมาถ้าเขาไม่ให้กุญแจมาก็ต้องเข็นรถทั้งนึงเข็นรถมันก็สู้อย่าสู้อย่าใช้มันดีกว่าสู้เดินไปสบายกว่าเหมือนกันการที่เราจะรักษาศีลได้การที่เราจะนั่งสมาธิได้การที่เราจะเจริญปัญญาได้เราต้องมีสติ ควบคุมบังคับใจให้ได้ก่อนถ้าเราไม่มีสติควบคุมบังคับมันก็ทาไม่ได้เราต้องฝึกสติกันก่อนสตินี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมที่สำคัญที่สุดเป็นธรรมที่จำเป็นทุกกรณีในการกระทาต่างๆในการกระทาความดีต่างๆต้องมีสติเป็นผู้นำ ความสาคัญของสตินี่ท่านเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในในป่าสัว์ชนิดไหนก็ไม่มีรอยเท้าที่จะใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างได้ทำทั้งหลายก็ไม่มีทามาไหนที่จะมีความสาคัญเท่ากับสติต้องมีสติเป็นหัวหน้าต้องมีสติเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับกุญแจรถยนต์ ขรับรถยนต์นี่รถจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็อยู่ที่กุญแจตัวเล็กๆตัวเดียวนี่เองมีกุญแจเสียบเข้าไปในในรูแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้ก็ขับไปไหนมาไหนได้ถ้ามีสติแล้วรักษาศีลกี่ข้อก็รักษาได้นั่งสมาธิให้นานเท่าไหร่ก็นั่งได้จะพิจารณาปัญญาได้ มากน้อยเท่าไหร่ก็พิจารณาได้ถ้ามีสติคอยควบคุมบังคับใจให้พิจารณาอยู่แต่ถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวจิตมันจะโลเลยกิเลสมันจะมาคอยแย้งคอยคอยดึงไปจะให้ทาจะให้รักษาศีลก็เสียดายเสียดายเวลาอยากจะดื่มเหล้า่าง้ก็ก็เดี๋ยวสติมันก็ไม่มีถ้าไม่มีสติก็ยหยุดมันไม่ได้ แต่ถ้ามีสติก็จะสู้มันได้ดะนั้นเราต้องมาฝึกสติกันให้ได้การฝึกสตินี่เราสามารถฝึกได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เราตื่นจนถึงเวลาที่เราหลับนี่เราสามารถฝึกสติได้ไม่จำเป็นจะต้องไปวัดอยู่ที่ไหนก็ฝึกสติได้เพียงแต่ว่ามันจะยากจะง่ายเท่านั้นเองถ้าไปอยู่คนเดียวมันจะง่ายเหมือนกับขับรถถัดขับรถนี่หัด ไปขับบนถนนที่ไม่มีรถนี่มันง่ายกว่าไปขับรถบนถนนที่มีรถลาวิ่งไปมาเยอะแยะมันจะยากกว่าดังนั้นตอนต้นเราถ้าเป็นไปได้ต้องไปหาที่ว่างๆที่ไม่มีใครมายุ่งกับเราแล้วก็พยายามฝึกสติซึ่งส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็มีเวลาอยู่คนเดียวอยู่แล้วเช่นตอนที่เราตื่นมาตอนเช้านี่เราก็ไปทำกิจส่วนตัวเรานี่ก็เราก็อยู่คนเดียว เวลานั้นเราก็ควรจะฝึกสติกันอาบน้ำล้างหน้าแปลงฝันก็พุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องการหยุดความคิดควบคุมความคิดสั่งความคิดให้ได้จะหยุดมันได้ก็ต้องใช้สติใช้พุทโธพุทโธเป็นตัวสร้างสติถ้าเราหยุดความคิดไม่ได้เราก็ต้องใช้พุทโธสร้างสติขึ้นมาเราก็ต้องหมั่นพุทโธพุทโธไป อับหน้าล้างหน้ า, นาแปรงฟันกับพุทโธพุทโธไปถ้าใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธพุทโธให้มันอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในขณะนั้นถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปต่อไปเราจะสามารถดึงใจควบคุมใจได้หยุดความคิดของใจได้แล้วเราก็จะสามารถรักษาศีลได้รักษาศีลห้าได้แล้วก็เพิ่มเป็นรักษาศีลแปดต่อไป รึกษาสินแปได้ก็บวชได้ถ้าบวชได้ก็จะมีเวลาปฏิบัติสมาธิกับปัญญาได้มากกว่าไม่ได้บวชถ้าไม่ได้บวชก็ต้องไปยุ่งกับเรื่องการธุรกิจต่างๆภารกิจต่างๆเวลาที่จะมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบก็มีน้อยเวลาจะพิจารณาทางปัญญาว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็ไม่ค่อยมีโอกาส แต่ถ้ามีสติฝึกจิตควบคุมจิตให้รักษาศินแปดได้ก็ไปบวชได้พระถึงแม้จะมีศินสามสองรอยยี่สิบเจ็ดข้อก็ตามศิลที่เป็นตัวศินย่างยากก็มีอยู่แค่แปดสิบข้อนี้เองแปดข้อสิบข้อนี้เท่านั้นเองถ้ารักษาสิบข้อได้ก็บวชได้ไม่ยากเย็นตรงไหนต้องมีสติต้องฝึกสติให้มากๆ ถ้ามีสติแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งจะสงบได้ออกจากสมาธิมาถ้าจะให้ใช้ศึกษาปัญญาเพื่อมาสอนใจให้ไม่หลงกับสิ่งต่างๆไม่ให้ไปทําตามความอยากก็จะสามารถพิจารณาความจริงได้พิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงสิ่งที่เราอยากได้นี้มันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไป เวลาได้มาก็ดีใจเวลาหมดไปก็เสียใจแล้วเอามาทำไมเอามาเราจะต้องเสียใจในภายหลังตอนนี้เราไม่ได้เสียใจอะไรเราไปหาความเสียใจม า, มาใส่ใจเราทำไมด้วยการไปเอาสิ่งที่เราอยากได้มาทำไมใช้ปัญญาคิดอย่างนี้มันก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ อานจะทำได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจะต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นถ้าเป็นค า, าวานี้ชีวิตของฆ า, าวาสมันอยู่กับความอยากทาตามความอยากตลอดเวลามันก็จะทำได้ยากฉะ <c oughs> นั้นต้องพยายามเริ่มต้นที่การสร้างสติขึ้นมาฝึกสติเวลาที่เราทำกิจส่วนตัวที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าให้มันคิดคอยควบคุมบังคับมัน จะคิดก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดกับภารกิจการงานที่เราทำเท่านั้นถ้าเวลาอื่นก็อย่าให้มันคิดถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องพุโทโธแต่ถ้ามันคิดก็ต้องหยุดมันพุทโธพุทโธไปพอทาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะมีสติควบคุมใจได้มันอยากจะทําบาปเราก็จะหยุดมันได้มันอยากเราก็จะรักษาศีลห้าได้รักษาศีลแปดได้ แล้วเราก็จะนั่งสมาธิได้แล้วเราก็จะสอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้พอเรามีเครื่องมือเหล่านี้แล้วมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็หยุดมันได้ไม่ต้องทำตามความอยากได้เราก็จะหยุดกามาตัญหาได้หยุดภาวะตัญหาได้หยุดวิภาวะตัญหาได้พอเราหยุด ตันหาความอยากต่างๆเรานี่แล้วมันก็จะไม่มีอะไรที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้กับเราอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงให้เราไปเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจของเราก็เป็นอิสระพ้นจากการเป็นทาน ต, ตอนนี้เรามีเจ้านายก็คือตันหาความอยากนี้เองผู้เป็นเจ้านาย ของใจเป็นผู้สั่งให้ใจไปทําำลายต่างๆพอเราปฏิวัติต่อสู้กับมันไม่ยอมทําตามคําสั่งมันก็ยอมแพ้ความอยากมันก็จะหายไปหมดความอยากมีอยากเป็นความอยากหารูปเสียงกยลิ่นรสผดทัพระความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้าเราไม่ไปทําตามมันเดี๋ยวมันก็หมดกําลังไปมันจะฟอไปแล้วหายไปแล้วจะไม่มารบกวนใจเราอีกต่อไป ใจเราก็จะอยู่อย่างสงบอย่างสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะอยู่ข้างนอกก็สงบเหมือนอยู่ในสมาธิเพราะตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือตัณหาความอยากนี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วตอนที่เราเข้าสมาธิก็เป็นตอนที่เราหยุดความอยากนั่นเองแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้โดยไม่ต้องเข้าสมาธิหยุดความอยากได้ด้วยปัญญา ด้วยสติเราก็ไม่ต้องเอ่เข้าสมาธิต่อไปไม่มีความอยากแล้วใจเราก็เป็นอิสระเป็นความสุขตลอดเวล า, าไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายใจก็สุขเหมือนเดิมใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายอีกต่อไปอแล้วก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปอนี่คือสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงบรรลุถึงแล้วก็นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราและพวกเรานี้ก็หมายถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายสามารถบำเพ็ญได้เพราะใจของหญิงของชายนี่เหมือนกันมีความอยากเหมือนกันมีธรรมะที่เราจะสร้างขึ้นมาได้เหมือนกันมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคลาวาสหรือเป็นนักบวชสามารถที่จะสร้างได้แต่การเป็นฆลาวา์นี้มันสร้างยากกว่าการเป็นนักบวชถ้าอยากจ ะ, ะทาให้บรรลุได้เร็วๆก็ต้องไปเป็นนักบวชเพราะจะมีเวลาที่จะสร้างศีล ส, สมาธิปัญญาได้อย่างรวดเร็วและมากมายแต่ถ้าเป็นคลาวาสก็จะสร้างได้ทีละเล็กทีละน้อย สินสมาธิปัญญาก็จะยากต่อการที่จะบรรลุได้เท่านั้นเองที่เป็นความแตกต่างที่เราเป็นความแตกต่างที่เราสามารถ เ, า เ, าเปลี่ยนได้เช่นเราเป็นชาละวา่าถ้าเราอยากจะบรรลุจริงๆเราไปบวชได้ถ้าเราพร้อมถ้าเรามีสติพร้อมที่จะรักษาสินได้มีสติที่จะนั่งสมาธิได้เราก็ไปบวชได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะไปบวชได้เราต้องฝึกสติกันให้มากๆก่อนทุกคนเนะี่ยต้องเป็นคาราวะาก่อนทั้งนั้นพระทั้งหลายที่เป็นพระนีกน้ก่อนจะมาเป็นพระก็เป็นคารวะกันแต่ที่เขาไปบวชกันได้ก็พวกเขาฝึกสติกันเขาสร้างสติกันขึ้นมาพอก้าสร้างมีสติเขาก็สามารถควบคุมบังคับใจให้ไปรักษาศีลได้ไปนั่งสมาธิได้ไปเจริญปัญญาได้พอเขาทําได้เขาก็บวชได้ ตรวจได้เขาก็บรรลุได้อย่างรวดเร็วเลบรรลุได้ภายในพบนี้ชาตินี้เลยซึ่งเป็นโอกาสที่จะยากถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาเป็นผู้นํามาเป็นผู้สอนดังนั้นการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นโชคคาลอันประเสริฐะเป็นโอกาสอันเลิศโอกาสทองที่นานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งนานๆเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาสักครั้งหนึ่ง ตอนนี้เราได้พบแล้วก็อย่าปล่อยให้โอกาสนงามนี้ผ่านไปพยายามฟังเทศฟังธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติว่าเราต้องปฏิบัติอะไรก่อน응ก็คือการเจริญสตินี่เองพะเราเจริญสติได้แล้วต่อไปเราก็จะทำปฏิบัติทำอย่างอื่นได้รักษาศีลได้ ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เจริญวิปัสสนาปัญญาได้แล้วเราก็จะหลุดพ้นได้ยึงขอฝากเรื่อง เ, อเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าต้องออกบวชคือการได้พบกับเทวทูตทั้งสีคือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอุโตทินางเปตานางังอุปกบปติอิทธิตังปัตท่ตังตุมหังกิ ป, ปะเมวะสมมิจจตุ สัพเพบริ่ตุสังกปาจันโทปนะฮระโสยธาเมณิโชติฮระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวโตอันตราโยสุขีธีขายุโกภวะ อาพิวาทนสีิริสะนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรมะวาะทานติอายุวโนโสุขังพาลัง <Okay. S 1> างลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุม แต่หลังจากเลิกประชุมแล้วก็ของดการถามตอบใครอยากจะถามขึ้นมาถามวันนี้ก็ได้หรือจะส่งจะเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่อย่ามาถามหลังใหม่หลังใหม่เวลาที่เลิกประชุมแล้วก็จะปิดใหม่ก็จะไม่ไม่ตอบนะถ้าวันนี้ทางบ้านมีใครเข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้ทางบ้าน facebook ทั้งหมดสา7ร้อยสิบเจ็ดคน YouTube ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสองคนแล้วก็ผู้ติดตามผู้ที่มารับฟังบนเขาหนึ่งร้อยแปดคนรวมทั้งหมดหกร้ยเจ็ดคนครับผมใครอยากจะถามเชิญถามได้พูดใกล้ๆไม่นหน่อยขอเจ้าคะ่ะพูดใกล้ๆไมหน่อยฮัลโหลค่ะห<ใ>นูเดิ น, นจงกรมเท้าซ้ายพุทธขวาโทเนี่ยเจ้าค่ะ เอได้ัหมคะหรือว่าบาปไหมคะไม่บาปไม่บาปพุทธเข้าพุทเข้าโท้าออกซ้ายขวาได้ไม่บาปแมลว่าหนูเท้าซ้ายพุทธขวาโคไปเรื่อยๆได้ได้ได้คำถามจากคุณนาวินอยากให้พระอาจารย์อธิบายการดูรูปนามธาตุขันว่าดูอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อการเห็นเป็นเทียงศัก์แต่ว่าอ๋อก็ต้องดูว่ามัน ดินฟ้าอากาศไงเป็นอนัสตา <S <S 1> <S 1> เราดูดินฟ้าอากาศเราดูยังไงเราก็สักแต่ว่าดูไปนะฝนตกก็ดูไปลมพัดก็ดูไปเราไม่ไปยุ่งกับลมเราไม่ไปยุ่งกับฝนชันใดเราก็อย่าไปยุ่งกับน้ำกับรูปฉนั้นปล่อยมันเกิดดับไปเวทนาจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันจะดับก็ปล่อยมันดับไป ร่างกายจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันจะดับก็ปล่อยมันดับไปอย่าไปยุ่งกับมันแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าไปยุ่งไปอยากเราจะทุกข์คำถามจากคุณเจษณียอยากสอบถามว่าการถวายชีสเนยปนามัทว่าควรทำจากไขมันพืชอย่างเดียวหรือไขมันสัตว์ได้คะแล้วถือว่าเป็นกิเลสไหมคะถ้าอยากนำไปถวายครูอาจารย์ ไม่หรอกก็เป็นของที่ถวายพระได้จะเป็นพืชหรือเป็นเนื้อมาทามาจากมันสัตว์ก็ได้ไม่เป็นไรคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากทราบว่าคนที่มีฌานมียานแต่ยังไม่ถึงตกกระแสพระนิพพานเขาสามารถรู้ภูมิของคนที่เขาบรรลุพระโสดาบันไหมครับ อก็เหมือนกับคนจบมหกจะไปรู้ว่าคนที่เขาจบปริญญาตรีเขาจบแล้อไม่จบได้อย่างไรแต่ถ้าคนที่มีความรู้มีภูมิต่ํากว่าจะไปดูคนที่มีภูมิสูงกว่าตนเองไม่ได้คําถามจากคุณสลานจิตเวลาเราเจ็บป่วยควรทําใจไว้อย่างไรเพื่อให้บรรเทาความเจ็บป่วยที่เผชิญเจ้าคะก็อย่าไปอยากให้มันหายปล่อยมันหายเอง ถ้ามันจะหายก็ปล่อยมันหายถ้ามันยังไม่หายก็อยู่กับมันไปความอยากให้มันหายมันจะทำให้เราทรมานใจคำถามจากคุณหน้าตาการเจริญสติปัฏฐานสี่เบื้องต้นต้องภาวนาอย่างไรครับพุทโธไงจเจริญพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับลืมตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธอย่าไปให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุโทโธต่อไปหรือดูลมหายใจต่อไปจนกว่าจิตจะรวมสงบเย็นสบายมีความสุขแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมี มี ม, าม้ามีตับมีหัวใจมีอะไรลําไส้มีสมองมีน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําอะไรต่างๆให้พิจารณาอย่างนี้เพื่อจะได้ละความอยากในร่างกายได้คําถามจากคุณโตมอนเราจะสมาทานศีลห้าด้วยตัวเองที่บ้านได้ไหมครับได้ถ้าเรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรเราก็สมาทานไปเลยว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าข้อก็ ว่าไปแล้วก็รักษาให้ได้เท่านั้นแหละการสมาทานไม่สําคัญเท่ากับการรักษาสมาทานแล้วไม่รักษาก็เหมือนกับไม่ได้สมาทานไม่ได้สมาทานแต่รักษาอันนี้ก็จะดีกว่าคําถามจากคุณวรรณพรถ้าเราภาวนาแล้วรู้สึกถึงใจตัวเองมันเร่าร้อนและบางทีเกลียดตัวเองมากๆ เรารู้เขาไปอย่างนี้อย่างเดียวถูกไหมคะหรือมีวิธีอื่นใดไหมเจ้าคะเมเราไม่ได้ภาวนาไนยะถ้าภาวนาต้องมีแต่พุโทโธพุธโทโธถ้ามีพุโทโธพุธโทโธแล้วเราก็จะไม่มีความคิดเหล่านี้ที่เรามีความคิดเหล่านี้ก็เพราะว่าเราไม่ภาวนาเราไม่มีพุโทโธปล่อยให้ใจคิดมันก็เลยคิดว้าวุ่นขึ้นมาตอนนี้คําถามหมดค่ะหลวงพ่ออ ได้เดียเ๋ยวร อ, อเดี๋ยวใครอยากจะถวายของที่ก็เข้ามาถวายได้ไมะไม่ต้องรอก็ได้วันนี้ว่างดาไ ด, ไงงได้เดินเร็วเดินช้าก็ได้อืถ้ามันง่วงก็อาจจะเดินเร็วหน่อยเพื่อให้มันหายง่วงแต่อย่าวิ่งก็แล้วกันกลับแล้วพิธีกา ร, โโรครับหลวงพอครับข้าพเจยนถามว่าอยากจะทราบอ่า แนวาทางปฏิบัติและความหมายของคําว่าสติปัฏฐานสี่ปฏิบัติเช่นไรความหมายเป็นเช่นไรก็เพิ่งตอบไปเมื่อกี้ไงก็สติก็คือพุทโธไงให้ท่องพุทโธไปนี่ก็มีสติแล้วขออนุญาตอีกคําถามนึงครับมหาสติปัฏฐานนี่ครับรนนก็อันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่มหาหมายเพราะาเป็นพระสูตรที่ละเอียดกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานมันเป็นเหมือนประสู์อตร เป็นคําสอนย่ อ, อส่วนมาหาฯนี่เป็นความคําสอนที่ละเอียดกว่าคือครบชุดทุกอย่างแต่นั้นเองแต่ก็สอนอย่างเดียวกันอมีความละเอียดกับไม่ละเอียดแค่นั้นเองอถ้าเป็นกว๋วยเตี๋ยวก็ชามใหญ่กับชามเล็กแต่ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเข้าใจไหมาบางทีไม่มีเวลาที่จะสอน ไม่มีเวลาที่จะสอนเต็มเต็มรูปแบบก็สอนแบบย่อไปก็เป็นสติปัฏฐานไปเวลามีเวลาก็สอนแบบละเอียดไปก็เป็นมหาสติปัฏฐานไปเท่านั้นเองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของขระสูตรว่ามีชามชามใหญ่ห้วยชามเล็กสูตรใหญ่หรือสูตรเล็กครับขออีกคำถามนะครับะระหว่างคนที่นักปฏิบัตินะครับ ระหว่างนักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติทำเกี่ยวกับการรู้การเรียนการอ่านนะครับแล้วระหว่างการกับนักปฏิบัติที่ไม่ได้เรียนไม่ได้อ่านแต่ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่บอกต่อๆกันมาเนี่ยนะครับสิ่งใดจะดีกว่ากันก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไปเรียนผู้ที่เราไปเรียนนี้เป็นเป็นให้ข้อมูลจริงหรือไม่จริง ถ้าไปเรียนจากผู้ที่ไม่มีข้อมูลจริงมันก็จะหลงทางถ้าได้เรียนจากผู้ที่มีข้อมูลจริงก็จะไม่หลงทางนี้บางทีถึงแม้จะเรียนจากพระไตรปิฎกที่เป็นข้อมูลจริงแต่ถ้าไปเรียนเองอาจจะไปแปลความหมายผิดก็หลงทางได้แต่ถ้าไปเรียนกับผู้ที่รู้จริงเห็นจริง ถ้าเราไปแปลผิดท่านก็จะแก้ให้เราได้ถ้าเราเห็นท่านเห็นว่าเราทำไม่ถูกตามที่ท่านสอนท่านก็จะบอกเราว่าทำไม่ถูกต้องทำอย่างนี้เห็นั้ถ้าได้เรียนกับคนที่รู้จริงเห็นจริงจะดีแต่ถ้าไม่มีก็เรียนจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกถ้าเราเรียนแล้วเราไม่เข้าใจเราก็ไม่เกิดประโยชน์เองไม่รู้ว่าจะไปใช้อย่างไรไปปฏิบัติอย่างไร ก็ต้องมีคนที่รู้จริ ง, รงเห็นจริงมาอธิบายให้ฟั ง, งถึงจะดีกว่าคำถามจากทางบ้านจากคุณสวัสด์แพทย์ใยาฆ่าเชื้อโรคหรือยาฆ่าพยาธิแก่คนไข้บาปไหมครับไม่บาปหรอกพยาธิหรือเชื้อโรคนี้ถือว่าไม่มีดวงวิญญาณนะคําำถามจากคุณตักกี่คือว่าในชีวิตประจำวันดิฉันเอาสีห้ามาใช้ในชีวิตประจาวันทุกๆวัน แต่อยากถามพระอาจารย์ว่าเหมือนมีเพื่อนมาคุยเรื่องเพื่อนให้ฟังแล้วเราเสริมต่อเหมือนนินทาเขาแหละค่ะแต่การนินทานี้จะนินทาในเรื่องดีนะคะแต่ก็มีไม่ดีบ้างนิดหน่อยอันนี้มันเป็นการผิดศีลมากน้อยแค่ไหนคะถ้าไม่โกหกก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลเพียงแต่ผิดอกุศลเ ป, เป็นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะกระทาแต่ยังไม่ถือว่าผิดศีล เป็นศีลละเอียดการพูดเพ้อเจ้อการพูดกาเลนินทากาเลพูดคำหยาบนี่เป็นศีลละเอียดที่ไม่ได้อยู่ในศีลหา้าอยู่ในอกุศลระบบอฉนน<ำ>ั้นถ้าไม่พูดปวดก็ยังไม่ถือว่าผิดศีลข้อนี้คำถามจากคุณอภิวัตรสอบถามเรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายทำอย่างไรให้ไม่ไปอบาย หรือให้หลุดพ้นไปเลยได้ยิ่งดีครับก็ทำตั้งแต่ยังไม่จิตสุดท้ายนี่ถ้าจิตสุดท้ายก็ทำไม่ทันเข้าใจั้มเหมือนจะสอบพุ่งจะสอบแล้วใครมาดูหนังสือวันนี้จะสอบพรุ่งนี้แล้วใครมาดูหนังสือวันนี้มันก็ดูไม่ทันมันต้องดูทุกวันดูตั้งแต่เปิดเทอมเลยเด็กฉลาดบางคนดูก่อนเปิดเทอมก็มีเนี่ยตอนนี้มีเด็กที่เขาเรียนพิเศษเขาเรียนของชั้นที่เขายังไม่เรียน เราต้องเรียนล่วงหน้าไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเหมือนนักมวยต้องซ้อมชกก่อนไม่ใช่มาชกมาซ้อมตอนวันก่อนอยกขึ้นเวทีถึงเวลานั้นก็ไม่ทันการดังนั้นต้องพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจตั้งแต่ขณะนี้ไปพยายามทำบุญละบาปพยายามชําระใจให้สะอาดบริสุทิ์ไปเรื่อยๆแล้วจิตสุดท้ายจะเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่ไปสู่สุขติเป็นจิตที่ไปสู่พระนิพพานได้ คำถามจากคุณสรรพบหากเรามีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปประจำใจรวมถึงมีความเมตตาสงสารต่อเพื่อนร่วมโลกนั้นจะทำให้เรามีจิตใจอ่อนแอไหมและขณะที่ฟังพระคุณเจ้าน้ำน้ำตามันไหลออกมาเองแม้กระทั่งเห็นภาพครูบาอาจารย์หรือรูปในหลวงนั้นในชีวิตการทำงานที่ต้องแข่งขันกัน มักจะทำไม่ค่อยถูกใจเจ้านายจนต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆควรแก้ไขอย่างไรครับและเราเป็นคนอ่อนแอไหมครับถ้าเรารักษาศีลได้เราทำบุญได้แสดงว่าจิตใจเราไม่อ่อนแอเราอาจจะอ่อนแอทางโลกคือเราอาจจะไปทำแบบคนทางโลกเขาทำไม่ได้แข่งขันกันอะไรกัน เอารัดเอาเปรียบกันแล้วอาจจะอ่อนแอทางนี้ไม่เป็นไรไม่เสียหายอ่อนแอทางโลกไม่เสียหายอย่าอ่อนแอทางธรรมให้แข็งแรงทางธรรมทางธรรมก็คือให้แข็งแรงต่อการรักษาศีลแข็งแรงต่อการทําบุญทําทานส่วนอ่อนแอเพราะหาเงินไม่เก่งหาเงินไม่เร็วเอลิ้นไม่ฮลิ้นไม่รัวก็ไม่เป็นไรอ่อนแอทางนั้นไม่เป็นไร คำถามจากคุณมนในจิตของเรายังไม่สงบด้วยเหตุต้องการรู้ความจริงถ้าเราจะถ้าเราจะรู้ต้องสอบถามจากบุคคลที่พูดซึ่งเป็นพี่สาวลูกป้าถ้าตัดสินใจถามผลต้องมีบุคคลรอบข้างทุกเพิ่มขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับถ้าทำอะไรแล้วทำให้คนอื่นทุกข์ก็อย่าไปทำ ทำอะไรแล้วเกิดความทุกข์เกิดความเสียหายต่อตนเองก็ดีกับบุคคลอื่นก็ดีอย่าไปทําผูกปากไว้ก็แล้วกันเฉยๆไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปดีกว่ า, าสิบอ่ะนะาว่าไปคำถามจากคุณชนิกาเวลามีคนทําบุญทําทานแล้วเราร่วมอนุโมทนาบุญด้วยจะได้บุญด้วยไหมคะบุญที่เขาทาเราไม่ได้หรอกเราได้ต้องบุญที่เกิดจากการเรายินดีกับเขา ซึ่งเป็นบนคนละยานกันคำถามจากคุณดารตีถ้าเราพยายามบอกเรื่องการทำความดีละกิเลสงดอบายดื่มสุราและแก่เพื่อนแต่เขาไม่สามารถเห็นถูกตามความเป็นจริงเราจะต้องบอกและเตือนต่อเขาได้ เราจะต้องบอกและเตือนต่อเขาได้อยู่เรื่อยๆไหมคะถ้าเขาถามก็บอกก็ได้ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องบอกถ้าเขาอยากฟังก็บอกเขาถ้าเขาไม่อยากฟังก็อย่าไปบอกเขาก่อนจะบอกถามเขาก่อนว่าอยากจะฟังไหมอยากจะฟังเทศไหมถ้ า, าบอกไม่ฟังก็ไม่ต้องบอกคำากถามจากคุณธนพรถ้าพระซื้อผลไม้มาแจกญาติโยมเป็นประจำท่านผิดวินัยสงฆ์ไหม เพราะปัจจัยก็มาจากญาติโยมค่ะก็ญาติโยมให้ท่านแล้วท่านจะไปใช้อะไรก็ได้ก็ท่านก็จะซื้ออะไรแจกใครก็ได้ท่านก็ทำบุญทาทานของท่านไปตามอัธยาศัยของท่านคำถามจากคุณบีผู้ที่ไม่มีความโกรธแล้วมีแต่พระอนาคามีขึ้นไปคาว่าไม่โกรดนี้คือความโกรธจะไม่เกิดขึ้นหรือเมื่อมีความโกรธ เกิดขึ้นกระดับไปทันท uh ีคะก็เหมือนกันแหละมันจะโกดแเราดับไปทันทีแล้วไม่โกรมันก็แล้วแล้วแต่คำถามจากคุณชนิกาเวลาเราทำบุญทำทานแล้วเราเขียนนามเป็นชื่อมารดาและครอบครัวแบบนี้มารดาและคนในครอบครัวจะได้รับบุญไหมคะบุญมันเกิดจากใครเป็นเจ้าของ ของที่เราไปทำถ้าเราเป็นเจ้าของเราจะไปเขียนชื่อขรเของก็ไม่ได้บุญจากการเขียนชื่อของเราเพราะมันเป็นของของเราเงินของเราแต่ถ้าเป็นเงินของคนที่เราเขียนชื่อก็ฝากมาให้เราไปทำนี่เขาก็ได้บุญจะเขียนชื่อไม่เขียนชื่อเขาก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่การเขียนชื่อหรือไม่เขียนชื่ออยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้าของเงินเจ้าของของที่เอาไปทำบุญคำถามจากคุณลุงอรุณ เด็กเล็กเราสอนธรรมะตั้งแต่เด็กตอนนี้อายุเจ็ดกับแปดขวบเราควรจะให้เขาไปปฏิบัติในลูกแบบเป็นคอร์ส ด, ด้วยดีไหมเจ้าคะออให้เขาเรียนก้อไก่ขอไข่ไปก่อนเถอะนะไอ้เรื่องเหล่านี้ก็ไม่ต้องไปแล้วเราก็เข้าคอร์สที่บ้านได้ทุกคืนก่อนนอนก็มานั่งไหว้พระสวดนมนต์กันสัก5้านาทีนั่งสมาธิกันสักสิบนาทีก่อนยังไม่ต้องไปถึงกับเข้าคอร์สหรอก ปลุฝนไปเท่าเล็กเท่าน้อยก่อนเพราะเด็กเป็นเป็นเด็กเล็กยังไม่สามารถที่จะไปเอาอะไรได้ทีเดียวมากๆต้องเรียนรู้ทท่ะเล็กเท่าน้อยไปเรื่อยๆก่อนคำถามจากผู้ฝากถามลูกที่พ่อแม่สาบแช่งลูกยังไม่ได้ขออโหสิกรรมแต่พ่อแม่ตายไปแล้วลูกจะแก้กรรมอย่างไรคะแก้ไม่ได้แล้วก็แล้วก็ไม่ใช่กรรมของเรา การสาบแช่งมันกรรมของพ่อของแม่ต่างหากเราก็ถ้าเราไปทําที่ทําอะไรให้เขาสาบแช่งเราก็อย่าต่อไปก็อย่าไปทําก็แล้วกันส่วนกรรมเก่ามันก็ผ่านไปแล้วเราไปลบล้างมันไม่ได้แต่เราป้องกันกรรมใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยการอย่าไปทํามันคําถามจากคุณมิีิการเปลี่ยนน้ําหิ้งพระถ้าเราเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างบาปไหมคะ ไม่บาปหรอกบุญก็ไม่ได้บาปก็ไม่ได้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนพระท่านไม่ได้กินน้ําไปตั้งไว้เฉยๆเห็นจะมันไม่ได้เป็นการกระทําอะไรที่เป็นบุญหรือเป็นบาปตอนนี้คําถามหมดค่ะหลวงพ่ออืมเดี๋ยวรอเดี๋ยวใครมีคําถามก็ส่งเข้ามานะวันนี้ไม่ดีบร้อนยังมีเหลือประมาณเก้านาทีด้วยกันอ่ะหมอจะถามต่อ หลวพ่อเจ้าคะถ้าถ้าสมมติว่าคนในครอบครัวเราเช่นพ่อแม่พี่น้องค่ะทำผิดศีลห้าที่เรายังเห็นอยู่เนี่ยเราควรจะปิดปากเงียบหรือเราควรจะแนะนำเขาคะก็ถามเขาถือว่าเขาอยากจะให้แนะนำ่าเปล่าค่ะก็ไม่ไม่น่าเชื่อคือถ้าถ้าเราไม่ไม่คือถ้าเขาไม่รู้แล้วก็บอกเขาได้ก็ดีว่ามันไม่ถูกแต่ถ้าเขารู้แล้วก็ทำก็มันก็แสดงว่า เขาห้ามใจเขาไม่ได้เขาไม่มีสติยับยั้งใจถ้าไปบอกเขาเขาอาจจะโกรธเราก็ได้ค่ะก็เลยกไม่ต้องบอกอเถ้าพูดไปแล้วเกิดความเสียหายก็อย่าไปพูดดีกว่าอเราก็ได้ทําใจเป็นครูเบี้ยขาไปแล้วแต่กรรมกรรมใครกรรมมันไปอีกอันนึงนอกจากว่าถ้าเป็นคนที่เราต้องคอยสอนก็ก็ต้องบอกเช่นถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเด็ก เขาทําอะไรผิดถูกเขาไม่รู้เราก็ต้องคอยบอกเขาเตือนเขาแต่ถ้าเป็นคนผู้ใหญ่แล้วรู้เรื่องแล้วก็มันก็เป็นเขาไม่ต้องการให้เราสอนแล้วเราก็ไปสอนเขาไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอเราสอนมันก็จะขัดแย้งกับพ่อแม่เขาเอ่อก็เลยก็อย่าไปขัดก็อย่าไปสอนอยู่ดีเนี่ยเออหลวงพ่อเจ้าขาหนูชัยนครไกลบริกรรมไปเรื่อยๆเจ้าขาแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะ มาอยู่จุดเดียวที่หลวงพ่อคุอแนะนำให้จ่ายาอ่าการใช้บัตรบ ร, ริกรรมกายเพื่อดึงใจให้เข้ามาอยู่จุดเดียวพออยู่จุดเดียวก็ต้องดูลมต่อหรือพุโทโธอย่างเดียวสติสติดดูละครกายได้โดยที่ไม่พูอกไปเจ้ค่ะแต่ว่ายังไม่ยังจับจับหลักที่ดูจุดเดียวยังไม่ได้จ้าค่ะก็ยังจิตยังสติยังมีกําลังไม่พอ เราก็จะมีความลังเลสงสัยว่าจะเอาตรงลิ้นปีหรือจะเอาจมูกก็าเลือก็เลอาอันใดอันหนึ่งสิอย่าไปลังเลสงสัยแล้วแล้ ว, ลว ถ, ถ้าดูลมดูลมยิ่งยากใหญ่เลยเจ้าค่ะดูแค่จุเดียวเพราะสติยังมีกำลังไม่พอ<า>จิตวัญญากยั ง, ยงวอกแวกอยู่ยังก็ต<า>้องกลับมาหากายนักรก่อน ทำไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องไปสนใจว่าจะจุดเดียวดูลมกายมันจะหยุดมันจะมันจะไม่อยากจะกลายนครแล้วมันนิ่งแล้วเราก็ดูลมได้เดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองแล้วแล้วแล้วหนูมาลองลองเล่นๆเจ้าค่ะกลัวว่าตายก่อนไม่ได้พิจารณาสุภาก็เลยมาลองพิจารณาเล่นๆว่าเออตาเราฟักเต่ามาเป็นยังไงคิดตาคีดมุก ปฏิกรู อ, อะไรอย่างนี้สิคะอันนี้ต้องพิจารณาของคนที่เรารักกัเราชอบอถ้าเราต้องการที่จะกําจัดการอารมณ์ดูเราไม่ไม่เกิดประโยชน์ต้องดูคนที่เราหลงรักต้องดูขี้ตาของเขาดูอะไรของเขามันจะได้ไม่รักเขาไม่หลงไม่รักเขาพิจารณาตัวเองสิค่ะเพราะว่าตัวเองก็มันไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากทําให้เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดติดกับร่างกายเรา ไม่เสียดายร่างกายเราแต่ถ้าว่างๆหนูก็มาดูอสุภาเล่นๆก็ได้นะเจ้าค่ะได้ก็ต้องดูทั้งของเราของคนอื่นด้วย <ฮะ S 2> อย่าจะดูอย่าดูแต่เฉพาะของเราอย่างเดียว <ฮะ S 2> เพราะถ้านหนูพิจารณาแล้วว่าถ้านหนูจะรอเออเข้าสู่อัปปนาสมาธิชาตินี้หนูอาจจะ อ, อไม่ได้เข้านะเจ้าค่ะหนูก็เลยถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีวันเข้าหยุดคิดเมื่อไหร่มันก็เข้าเมื่อนั้นเ ล, ละ อ, อย่าไปคิดพุดโทโธพุโทโธไป แล้วมีอันหนึ่งที่ภรูบาอาจารย์รูฟังธรรมฟังฟังธรรมที่ท่านนิพพานไปแล้วนะเจ้าค่ะว่าถ้าเราจะมีศรัทธามากๆในการที่เราจะแบบมีแรงพลังเนี่ยก็คือว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยพอจิตเรานิ่งปุ๊บเนี่ยท่านบอกว่าบางทีเราก็จะระลึกถึงอดีตชาติเราได้บุญไหลๆอดีตทำให้เรามีความเชื่อมั่นมากว่าเออบุญบาปมีจริงหน่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อันนี้ยมันจะเกิดกับทุกคนไหมเจ้าคะไม่หรอกแล้วแต่บางคนไม่เกิดก็ได้ถ้าเราเชื่อแล้วมันจะเกิดไม่เกิดก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจเล็ง เ, เล็งเป้านี้ไปเลยแล้วก็ว่าไปเลยให้มันเน้นอย่างเดียวสร้างสติไว้เรื่อยๆอย่างเดียวออขอบคุณค่ะมีไหม <c oughs> อ่านเลยค่ะนาที คำถามจากคุณอารุณีทำไมหนูรู้สึกศรัทธาพระอาจารย์มากเจ้าคะ ท, า ท, าทั้งๆที่ไม่รู้จักพระอาจารย์มาก่อนเพิ่งฟังธรรมพระอาจารย์เป็นครั้งแรกคะ่ะหนูเคยอธิษฐานขอใ ห, ใ, หให้พบเจอพระอริยสอนพระกรรมฐานคะ่ะคนศรัทธาเป็นศรัทธาได้หลายอย่างศรัทธาเพราะรูปศรัทธาเพราะเสียงศรัทธาเพราะความรู้ที่ได้รับจากเขา ที่เราก็ต้องไปแยกแยะดูว่าเราศรัทธาในรูปแบบไหนถ้าศรัทธาด้วยรูปก็ไม่ดีศรัทธาด้วยเสียงก็ไม่ดีแต่ถ้าศรัทธาด้วยธรรมะก็ดีขอให้ศรัทธาในในธรรมในคําสอนอย่าไปศรัทธาในคนสอนก็้าใจไหมอย่าไปชอบคนสอนให้ชอบคําสอนชอบคนสอนแล้วเดี๋ยวจะอกหักเข้าใจไหม ถูกใจไหแเราทำให้คน อ, อกหักมาเยอะแล้วนะเ อ, เอพ อ, อพะกัดพอกัดใจหน่อยก็ อ, อกหักแล้วนะบอกให้รู ก, ก่อนย่งนอย่ามาชอบคนสอนให้ชอบคำสอนคำถามจากคุณธนพรเวลาหลังออกจากสมาธิ ถ้าเราแผ่เมตตาให้กับผู้ป่วยที่เราไม่เคยรู้จักแค่อ่านชื่อแต่เขาจะได้บุญด้วยไหมคะคงไม่ได้หรอกเพราะสมาธิเรายังไม่มีถ้าอยากจะแผ่บุญให้เขาก็ไปทำบุญใส่บาตรบอยจากเงินบริจากอะไรให้กับใครก็ได้แล้วก็เราก็จะเกิดบุญขึ้นมาแล้วเราก็สามารถแบ่งบุญนั้นไปได้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหมอดูนี่รู้จริงหรือเปล่าคะ ก็เรียกว่าหมอดูคู่กับหมอเดาหลวงพ่อคาหนูถามต่อแล้วถ้าหนูเห็นที่เข้าไปดูๆกันนะแล้วพอเขาเจอสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนตรงกับที่หมอเขาทักเนี่ยคะ่ะแล้วมันมันเป็นความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นพอดีด้วยกันหรือว่ายังไงอะคะอันนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะมีอมียานอย่างทราบได้ก็มีแต่บางคนก็อาจจะใช้ลูกพลุกเนอ คือคนมาถามสิบคนก็พูดไปสิบเรื่องหรือสักคนนี้ก็ต้องมันก็จะต้องตรงกันสักคนหนึ่งเลให้คนที่ตรงมันก็มาเล่าให้คนที่ไม่คนอื่นฟังนั่นเองหลวงพ่อเจ้าคะการเดินทางอาจจะเจอเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นได้เจ้าคะ่ะแล้วตอนนั้นถ้าเรายังไม่มีสติสมมุติว่าเราตายไปเราจะไปสู่สุขติไหมเจ้าคะ่ะเออก็อยู่ที่บุญที่บาปเราทําว่าไหนมันมากกว่ากันเนีย ถ้าบุญที่เราทำมันมากกว่ามันก็จะดึงเราไปสุขติก่อนถ้าบาปมากกว่ามันก็ต้องเด้งเราไปอบายแล้วถ้าตอนนั้นเรายังไม่ตายแต่เรายังเจ็บอยู่เราจะวางใจยังไงเจ้าคะ่ะก็พุโทโธไปปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเจ็บความเจ็บไปอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากให้มันเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรปล่อยมันช่างหัวมันมอะไรมีข้อบ่างอีกเยอะเลยคะ่ะไ อ, อข้อนึงก็แล้วกัน ข้อสุดท้ายคำถามจากคุณกิติเมื่อเวลาเราไปภาวนาในสถานที่น่ากลัวเมื่อเกิดความกลัวแล้วใช้การพิจารณากายกับค้นหาเหตุผลที่จิตหลงไปจนเกิดสติแล้วอาการกลัวก็หายไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปเช่นสองถึงสามชั่วโมงจิตเกิดอาการกลัวคล้ายเดิมอีกก็ต้องพิจารณาแบบเก่าอีก ความกลัวจึงจะหายอยากทราบว่าที่เรากลับมารู้สึกกลัวอีกเพราะสมาธิสติเรายังไม่พอใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วเพราะปัญญายังเข้าไปไม่ถึงตัวที่ทำให้เรากลัวคือความกลัวตายมันเกิดจากความไม่อยากตายเพราะเรายังไม่ยอมรับความตายเรายังไม่เห็นว่าร่างกายนี้ต้องตายอย่างแน่นอนถ้าเราไปถึงจุดที่เรายอมรับความตายได้ ต่อไปเราก็จะไม่กลัวอีกต่อไปถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นมันก็ยังจะกลัวได้ยังต้องพิจารณาว่าร่างกายไม่เที่ยงมันต้องตายเกิดแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ายอมรับอันนี้ได้ปล่อยวางให้มันตายได้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวอีกต่อไปเอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา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 ตามไปด้วยออเราไปแน่เราไปแน่นแต่ไม่รู้จะไปที่เดียวกันหรือเปล่าโอช่วยไม่ได้แล้วอันนั้นต้องอัตตาเหี้ยตานโนนาโถเอาพุทโธเนี่แหละพุทโธจะช่วยเราได้